คำแปลพระคาถาชินบัญชร1พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยยบาลังทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหณะแล้วสเสวยอมตารสคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์สองมี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังก่อนเป็นอาธิพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นส ขาพระพุทธเจา้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียงกล้าวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าประดิษฐานอยู่บนศีสษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรพพคุณอยู่ที่อกสี่พระอนุรุทธะ อยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมค・คันลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณธัญะอยู่เบื้องหลังหพระอานนท์กับพระลาหุนอยู่หูขวาพระกัสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย 6. มุนีผู้ประเสริฐคือพระโสพภิตาผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง 7. พระเถระกุมารากัสปะผู้สแสวงบุญทรงขุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตไพร่ะอยู่ที่ปากเป็นประจำาปพระปุณณนะพระอังคุลิมานพระอุบาลีพระนันทะและพระศิวลีพระเทวะทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุนเจิมที่หน้าผาก 9. ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไผโรดด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ 10. พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมาลปริตอยู่เบื้องซ้ายพระธัชคสูตรอยู่เบื้องหลัง11พระขันธปริฏพระโมรปริตและพระอาตานาติยสูตรเป็นเครื่องกลางกั้นดุดหลังคาอยู่บนหน้าผากา สิบสองอันหนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนาน า, นานชนิดมีศีลาที่ขุนอันมั่นคงคือสัตว์ปราการเป็นอาพรมาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นสิบสาม ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทํากิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุปัตวทุกข์ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้ายคือโรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุดฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ 14. ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลฆ่าพระพุทธเจา้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินะบัญชรฆ่าพระพุทธเจา้ า, จาได้รับการคุ้มครอง ปักรักษาภายในเป็นอันดีชนีแ้แหล 15. าข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณอนุภาพแห่งสัตธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัตถวันต ร, รายใดๆด้วยอนุภาพแห่งพระชินพะพุทธเจ้าชนะข้าศึกศัตรูด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาคแห่งพระสงค์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิด น, นิรันดรเทิญน